ธรรมะธรรมมีบาปมีอยู่บุญมีนรกมีอยู่สวรรค์มีอยู่พามโลกมีอยู่นิพพานมีอยู่และสัตโลกที่อยู่ในแหล่งแห่ง สถานที่หรือสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่คนธรรมดารู้ไม่ใช่คนธรรมดาที่มีวิเยตทั้งหลายเห็นกันหูตาจมูกเลี้ยนกายใจของคนธรรมดา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 เพราะความเหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายแล้วจึงสามารถเห็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ได้ถ้าพูดถึงนิพพานก็จิตของท่านเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์แล้วจึงได้นำมากล่าวมาแนะนำสั่งสอนทมทั้งมวลคิดพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น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 ใจดวงนี้ก็ถูกปิดบังหุง้มห่ออยู่กับสิ่งมืดมิดปิดตาทั้งหลายอีกด้วยจึงรู้แบบทิ่ฐนาอาวิชชาปัจจะยาหรือว่าอาวิชชารู้ก็รู้แบบฝ้าฝ่าฟังฟังไม่รู้เต็มหูเต็มตาเต็มดวง ตาจริงๆรู้แบบว่าแบบฟางไม่รู้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัตราแห่งความรู้ของตนทำจริงเข้าสู่จิตใจของโลกโดยระยะเพราะเหตุเหล่า น, นี้แหละ <c oughs> แล้วผู้ที่มาประกาศสั่งสอนโลกนั้น <c oughs> ก็มีเพียงพระองค์เดียวในขั้นเริ่มแรกคือพระพุทธเจ้า คนทั้งโลกศาสตร์ทั้งโลกเคยเชื่อสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วมากมายต่างคนต่างสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งที่อยู่ในวิสัยของตนเมื่อกันเมื่อพูดสิ่งเหล่านี้มาสู่กันฟังโลกทั้งหลายก็เชื่อกันได้ง่ายๆเพราะอยู่ในวิสัยของตนที่รู้ที่เห็นที่ควรจะเชื่อได้หรือเชื่อได้ย่อมเชื่อได้อย่างง่ายดายแต่สิ่งที่เหนือจากนี้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 สำหรับสัตว์โลกที่จะเปิดทางจากสิ่งปิดบงังหุ่มห่อหรือผีขวางรัดตึงอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกได้ทีละเปาะสองเปราะหรือทีละเก้าสองเก้ายิงเป็นความลำบากมากเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นประหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกันกับทั้งร่างกายและจิตใจของแต่และลายละลาย ทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านี้เป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงคือใจแท้นั้นจริงแต่สิ่งที่เคลือบแฝงอยู่กับกายนั้นปลอมตานั้นเห็นได้จริงแต่สิ่งที่จะเคลือบแฝงให้เดินพาหลงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในเมื่อสัมผัสสัมพันธ์นั้นมีอยู่อีกฉากหนึ่งคืออยู่ฉากหลังจึงมองเห็นอะไร ย่อมเป็นไปด้วยความรากักความชังความเกลียดความโกรธไม่ได้เป็นไปตามหลักความจริงในสิ่งที่ตนได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยเลยนะคำว่าทำทำจึงแม้จะมีอยู่มาตลอดนันตการก็ตายและมีอยู่ในที่ทั่วไปก็ตายธาตโลกทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะปรับ เครื่องรับธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งคือใจที่เป็นเครื่องปรับให้เข้าสู่ธรรมขั้นต่างๆได้เป็นอย่างนี้พอมันสามารถที่จะปรับได้ธรรมจริงเป็นของลำบากสำหรับโลกที่จะสัมผัสสัมพันธ์ได้ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงรู้ทรงเห็นเต็มพระทัยไม่สงสัยใทรงแสดงหลายครั้งหลายหนสิ่งที่รับทราบคือใจและปรับปรุงตัวไปในขณนะที่ได้ยินได้ฟังโดยสม่ำเสมอสิ่งที่ปิดบังทั้งหลายก็ยอมจะเบาบางออกไปจางออกไปถ้าเป็นเมฆ น้าหนามืดๆคืบๆก็จางออกไปกระจายออกไปมองเห็นทิศเห็นทางได้โดยลำดับกำลดามีหลักการได้ยินได้ฟังจากแม้จะเป็นกระแสแห่งธรรมก็ตามที่แสดงออกทั้งหมดจะจากพระพุทธเจ้าก็ตามจากพระสาวกทั้งหลายก็ตามเป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้นก็จริงแต่เมื่อได้ฟัง อาการแห่งธรรมก็แสแห่งธรรมซึ่งเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลที่จะยังจัดทั้งหลายให้เข้าสู่ความจริงได้ย่อมจะเข้าสู่ความจริงได้เป็ น, นำลำดับตรรมดาเพราะการได้ยินได้ฟังอยู่โดยสม่ำเสมอหากเราจะพิจารณาธรรมดาด้วยเอาสิ่งตำช้าเร็วตามที่ฝังใจเป็นเจ้าอานาจนี้ออก มาคิดมาปรุงกันก็ง่ายธรรมมีอยู่ทั่วไปตามคาพีไบรลาดตามวัดตามวาคูบาจารย์แนะนำสั่สอนมีเต็มไปหมดเราพูดสมัยที่มีศาสนาอย่างนี้ก็ง่ายแต่ว่าธรรมที่จะให้เป็นประโยชน์ให้สัมผัสสัมพันธ์กับใจของตนให้ตื่นเต้นให้สะดุดใจให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 ให้เข้าสู่จิตซึ่งเป็นสาระสำคัญอันหนึ่งหรือปรับปรุงจิตของตนให้เข้าสู่ระดับอันควรจะสัมผัสสัมพันธ์ทราได้คือทำแท้ได้ด้วยการปฏิบัติแล้วเราจะไม่มีทางรู้เห็นไม่มีความเป็นสาระแต่ตนและเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจของตนได้เลยพวกเราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนา ไม่เพียงแต่ได้นับถือศาสนาและยังได้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมด้วยแต่เพราะอย่างยิ่งนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยนี่เรียกว่าก้าวเข้าสู่แดนที่จะควรสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ตามขั้นตามภูมิของธรรมตามกำลังความสามารถของตนอยู่แล้ว รืงควรกระตือรือร้นในการประพฤติปฏิบัติตนรำมธาทมเริ่มต้นตั้งแต่สมาธิธรรมเนี่ยจิิงที่จะสัมผัสสัมพันธ์ให้เห็นชัดเจนภายในใจการให้ทานการรักษาสีนั้นก็เป็นผลปรากฏในใจแต่ไม่เด่นชดัดเหมือนสมาธิธรรมปัญญาธรรม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 ใจสงบเป็นสมาธินั่นใจได้เริ่มสัมผัสสัมพันธ์ธรรมแล้วสมาธิขั้นใดมีความสงบเย็นใจขนาดหนังก็ทราบได้ชาติภายในใจนี่คือธรรมแท้แม้จะเป็นขั้นธรรมท ำ, ทำขั้นแห่งธรรมที่ยังต่ำยังหยาบอยู่ก็าตามแต่ก็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 เริ่มปรากฏขึ้นเป็นลำดับลำดาแล้วนะกานพิจารณาทางด้านปัญญาลี่คลายสิ่งที่รัดลึงภานจิตใจด้วยอำนาจแหอุปท า, านเพราะเป็นราเหตุมาจากความรุ่มหลงก็ลี่คลคายลงไปตามหลักความจริงให้เห็นได้โดยลำดับลำดาอุปาทานซึ่งเป็น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 ปัญญาก็ย่อมมีความราบลื่นมีความคล่องแคล่วแล่วคล่าฉลาดแหลมคมขึ้นไปเป็นลำดับาำนาผลที่จิตได้รับจากปัญญาเป็นผู้แก้ผู้สอดผู้ถอนผู้เบิกทางอันรกรุงลังร้วที่เรียดอุปทานทั้งหลายออกได้เดิมดับนั้นก็ย่อมสวา่างกระจ่างแจ้งขึ้นสแสดง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 ้ า, ายในจิตใจมากน้อยเพียงไรเกี่ยวโยงมากับอะไรปติปัญญาจะสามารถค้นตลกทบทวนในสาเหตุที่เกี่ยวโยงนั้นอันเป็นทางให้จิตใจไม่ยึดถือนะั้นเข้าไปโดยลำดัดำบและตัดขาดไป ได้เป็นวักเป็นตอนในคำว่าผลของปัญญานั้นก็คือจิตเป็นผู้รับและจะเปิดความสว่างสวัยขึ้นภายในใจสร่ความลงในข้อสุดท้ายแห่งยอดธรรมก็คือสติปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องกาจับ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 กับรูปคือกายของตนเวทนาสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขานความคิดความปรุงวิญญาณความรับภาพในเมื่อสิ่งต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ขับอัตตนะไม่มีความ่ยวยโยงไม่มีการกระสาน ตาถาดจากกันทั้งหมดทั้งอายตนะภายนอกคือรูปเสียงสิ่งรดเครื่องสัมผัสตาถาดทั้งอายะนะอายตนะภายในคือตาหูตมูกลี่นกายจิตก็รู้เท่าตัวเองขาดภายในจิตอยู่ด้วยไม่มีเงื่อนต่อได้เลยนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมเลิศดูที่ไหนก็ ไม่มีคำว่าการสถานที่ที่จะไม่อยู่กับธรรมเลิศประเพนี้เพราะใจเป็นกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนี่แหละท่านว่าธรรมประเสริฐจะปรากฏขึ้นที่ใจและไม่ว่าธรรมขั้นใดจะปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้นและธรรมที่กลามาทั้งมวล น, นี้ ก็มีพระพุทธเจ้าพราะองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ทรงค้นพกรู้เห็นทุกแง่ทุกมุมเมื่อใจคือเป็นความรู้สึกประจำตอนอยู่ซึ่งเคยเกี่ยวข้องผัวพันกับสมมติทั้งหลายเนื่องจากใจที่เป็นสมมติเนื่องจากใจที่เป็นกิเลสเต็มตัว สัมผัสสัมพันธ์กับสิงใดจริงเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดคือเป็นเรื่องผูกมัดรัดลึงตัวเองไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทั้งทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอารมณ์ภายในใจเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตตัดแม้ปัจจุบันก็ติดติดไปหมดพัวพันไปหมดจึงไม่สามารถที่จะรู้ทำของสิทั้งหลายได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจ อ, อกคุมอุมห่อไปเสียหมดทั้งขณะได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธต่างๆจนกระทัง่ ง, งอารมณ์ที่คิดขึ้นภายในจิตใจก็เต็มไปด้วยผูกพันนัดลึ่งอยู่ทั้งนั้นคิดจึงหาอิสระไม่ได้เมื่อจิตเต็มไปด้วยสิ่งกดขี่บังคับสิ่งปกปิดกำบังแล้วจะมองเห็นความจริงได้อย่างไรมันสัมผั ส, สัมพันอยู่กับสิ่งเหล่า น, นี้ทั้งนั้น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 นางพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเรื่องว่าบาปมีอยู่ใครจะไม่ทราบก็ต่างบาปนี่เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมบุญเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมบาปก็คือความทุกข์ของตับบุญก็คือความสุขของตั์ของขนนั่นแหละนรกเป็นสถานที่อยู่แห่งผู้มีวิบากกรรมอันชั่วสวรรค์เป็นสถานที่อยู่แห่งผู้มีวิบา ก, กรรมอันดี พรมโลกก็เหมือนกันเป็นชั้นชั้นขึ้นไปเป็นที่อยู่ของผู้มีบากกรรมอันดี น, นิ้พานเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ใครจะเห็นใครจะรู้ได้เพราะไม่ไม่มีเครื่องมือใจไม่สว่างการแจ้งใจไม่พ้นสิ่งปิดปกปิดกำบังทั้งหลายมองก็มองไปด้วยความมืดความเบาะที่จีเรศปิด บังตาเอาไว้บุญจะมีบาปจะมีอยู่ทั้งกับตั้งกันก็หาได้เจอไม่หาได้พบไม่ทั้งๆ ท, ที่บุญบาปก็สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใจนันเลยก็ไม่ทราบได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้สามารถทราบตามหลักความจริงการตรัสรู้ทำตรัสรู้ตามหลักความจริงไม่ใช่ตรัสรู้ด้วยความจ้องปลอมสงใดที่มีอยู่เป็นอยู่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 วาเห็นว่าเป็นไผ่ในสิ่งที่จะควรบำเพ็ญเห็นว่าเป็นคุณเพื่อสถานที่ที่พึงหวังจะได้เป็นสมบัติของตนเท่านั้นมีแต่การแนะนําสั่งสอนอย่างนี้เป็นแบบเดียวกันในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาตรัสรููในแดนโลกธาตุนี้แต่และพระองค์พระองคาวาดจึงไม่หัดแย้งกันแต่ในแตบบ่การไหนไหนมายกตัวอย่างในพระอวาด พี่ย่ อ, ยอสัปปาปัสสะอาาัคนังการไม่ทำบาปอยากช้าลามกทั้งปวงหนึ่งอุจราสู้ประั้มปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมพื้นที่ใจหนึ่งสะจิตตะปะโยดัปั น, นังการยังทำลาจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่ง เอตังพุทธานาสาสันนังนี่คือำคำคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ทรงสอนไว้อย่างนี้เพราะการตรัสรู้ธรรมนั้นตรัสรู้สิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ไม่ได้อุตริไปตรัสรู้ในสิ่งที่ไม่หีไม่มีไม่เป็นด้วยเหตุนี้การสั่งสอนจึงต้องสั่งสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นนั่นเองแล้วทีนี้ย่นเข้ามา คือใกล้ก็มีไกลก็มีเหมือนอย่างที่เราเห็นสมมุติตากดในโลกมีทั้งใกล้ทั้งไกลมีทั้งในทั้งนอกอัตยนเข้ามาถึงเรื่องที่ว่าบาปมีอยู่สาหรับผู้ปฏิบัติไม่อยู่ที่ตรงไหนบาปเป็นพื้นฐานเป็นที่บรรจุของบาปคืออาไรอะไรเป็นสิ่งเป็นสถานที่ หรือเป็นที่บรรจุของบาปเป็นที่สร้างบาปคืออะไรก็ใจเป็นผู้สสถานที่เป็นโรงงานสร้างบาปผลิตบาปขึ้นมาเพราะกิเลสเป็นผู้บังคับให้สร้างบาปขึ้นมาท่านบอกว่ากิเลสเป็นเหตุให้เป็นสาเหตุให้ทำกรรมกันเมื่อทำกรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรมท่านพูดวเากิเลสวิบาก จะรับผลของกรรมวกเวียนกันไปมาอยู่ทีน่นี้ไม่มีสิ้นสุดไม่มีต้นไม่มีปลายเหมือนมดแดงไตขอบดงนั่นแหละายกลับไปวนไปเยียนมาอยู่ในขอบดงขอบเดียวสําคัญมากเป็นของใหม่ไปเรื่อยๆหาทางออกไม่ได้มี ท, ที่ที่สร้างบาก็คือใจเมื่อสร้างบากแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจที่สร้างบากก็คือใจ เมื่อคือที่สร้างบุญก็คือใจเมื่อสร้างบุญได้มากน้อยความสุขก็ปรากฏขึ้นที่ใจิตใจมีความละเอียดมากน้อยเท่าไหรการเลื่อนท่านภูมิของตนก็ย่อมเลื่อนไปตามลๆๆๆๆําดับลำดาบแห่งคุณสมบัติของใจที่จะก้าวเข้าสู่ภูมินั้น ๆ, ๆเมื่อจะย้ายออกจากภพชาติที่เป็นอยู่นี้ไปสู่ภพชาติดึก สถานที่อื่นเรียกว่าประโลกก็ต้องก้าวออกไปด้วยกำลังแห่งบุญแห่งบาปที่บรรจุไว้ภานในใจิตใจได้มากน้อยเพียงไหนเมื่อกำลังทางทางทั่วมีมากก็ผักดันให้ไปเกิดในสถานที่ต่าช้าเดียวซ้ำเช่นนรกตลอดถึงโลกันตะ น, นรกเป็นต้นมีอะไรพาให้ไปสิก็ผู้นี้แหละผู้ที่บรรจุความชั่วช้าลามก ให้มีพลังเต็มที่ผากสายจิตใจให้ไปสู่แดนนรกที่ไม่ถึงปรารถนานั้นไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ไปบับงคับกดขี่ข่มเหงให้ไปสู่นรกขุมนั้นขุมนี้แต่เป็นเพราะความคึกความเขานองความอยาดอันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งมวลเป็นผู้พาให้สร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่คํานึ่งถึงมาถึงผิดถึงถูกดีชั่วประการใดบนเวลาได้รับผล กิเลสมันไม่มารับเราผู้ทําตามอานาจของกิเลสนั่นแหละเป็นผู้รับผลแล้วทีนี้จะลบล้างได้อย่างไรเมื่อเข้าถึงตัวผลแล้วลบล้างไม่ได้ทุกข์มากน้อยเพียงไรจนถึงขั้นมหันตับทุกข์เราก็จําต้องยอมรับให้เต็มที่เต็มฐานจะ ต, ตายก็ไม่ตายเพราะจิตไม่เคยตายหากทุกข์เต็มที่เต็มฐานเพราะอํานาจของกรรม มากน้อยที่พาให้ทุกข์อยู่นั่นแหละเมือนกว่าจะพ้นผ่านพ้นนั้นแต่ได้เพราะคำว่าบาปก็ เ, เป็นของไม่เที่ยงบุญก็ยังเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันย่อมมีทางสิ้นสุดไปได้มีหมดไปได้มีเบาบางไปได้เหมือนอย่างค น, นทนทษนอกจากก้าวเข้าสู่นิพานเสียอย่างเดียวเท่านั้น น, นั้นคาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไม่ถึง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 เมื่อใจได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีแล้วย่อมจะระบายออกมาในทางที่ดกที่ถูกที่ดีผลก็สะท้อนย้อนกลับเข้าไปเป็นความพึงใจของจิตเสียเองเพราะเราเป็นผู้ทำผลย่อมเกิดขึ้นกับเราเมื่อมีภูมิอัดภูมิทมควรกะก้าเข้าสู่ขั้นภูมิสูงมากน้อยเพียงไหร่ก็พลังแห่งธรรมพลังแห่งบุญแห่งกุศลที่เกิดขึ้นจากธรรมเป็นผู้พาให้สร้างนั่นแหละ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 ได้สร้างความดีมาแล้วนั่นเลยเนวสารโลกท่องเที่ยวอยู่ตามที่กล่าวเหล่านี้หละที่ว่าอบายภูมินาโรกเปรตตะเสือกาลซาดิยาฉานท่านกล่าวไว้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 เพราะภูมิของเราไม่มีความรู้ของเราไม่มียนันยานด่างทราบคือเป็นเครื่องมืออันละเอียดละออทางด้านธรรมะของเราไม่มีนรกเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นทั้งๆ ท, ที่มีอยู่พวกเปรตพวกผีมีอยู่นรกมีอยู่สัตว์เดชานมีอยู่แต่เราจะสามารถทราบใ น, นในบางสิ่งบางอย่าง แม้แจะสัตว์นี้เราก็จะทราบได้แต่สัตว์ที่มีอวัยวะหยาบเท่านั้นส่วนละเอียดชุดวิสัยที่จะมองเห็นด้ตามเนื้อแล้วเราเขาไม่สามารถนอกจากมีเครื่องช่วยเชนยเ่นกล้องส่องลำบากกล้องส่องดูเชืวอโลกพอเห็นได้สิ่งที่เนื้อวิสัยของชุดวิสัยของเราที่จะเห็นได้ตามหลักธรรมที่บุริ้าทรง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 รู้ท่านเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่ได้ทุกสิ่งถ้าคิดถึงร้อยสิ่งแล้วเราจะเห็นเพียงสิ่งเดียวสองสิ่งท่านร้อยทั้งร้อยท่านหนี่แหละศาสนาองค์เอกทรงสั่งสอนชัดโลกตามหลักความจริงที่มีอยู่ไม่ทรงลบล้างว่าบาปมีก็ก็บอกว่ามีและสอนวิธีให้ละบาปหากเคยมีอยู่แล้วในตัวของสัามโลกก็ต้องสอนให้ละ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 เราจะเห็นไม่เห็นเจอไม่เจอก็ต่างไปในแดนมนุษย์ที่เราไม่เห็นเวลานี้แต่จะลบล้างสิ่งที่มีอยู่ตามหลักธรรมที่กล่าวไว้นั้นลบล้างไม่ได้สาสตร์โลกจะส้องไปตามแถวแนวแห่งวิบากกรรมของตนเข้าสู่จุดนั้นนั้นจนได้ไม่สงสัยเพราะไม่เคยได้ยินว่านรกแต่ละหลุมละหลุมนั้นได้ว่างจากสันนรกไม่มีใครไปตกเพราะสัสตร์โลกไม่ต้องการศาสตว์โลกไม่อยอกอยากทรมา นรกแต่ละขุมแล้ขุมหรือแต่ละหลุมแล้หลุมนั้นจึงว่างเปล่าจากสัตว์นรกที่จะไปตกไม่เคยมีเอ็มแน่นแออัดอยู่ในสัตว์นรกก็อยู่ในแดนนรกไม่มีจํานวนไม่น้อ ย, อยเป็นเบียงเราไม่ทราบแล้วกับทาให้จิตใจด้านหารสู้ต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายด้วยความยินงแย้เฉื่อยใสแต่ขยะขะแย็งในธรรมทั้งหลายที่ควรจะเป็นผลเ ป, นเป็นประโยชน์อันตร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 ใครไม่มีธรมรมใายไม่มีเครื่องห้ามใครไม่มีเบรคห้ามล้อตัวเองผู้นั้นจะจมไปด้วยอำนาจแห่งที่เหล็กจนได้ไม่ต้องสงสัยแต่ผู้มีธรรมเป็นเครื่องห้ามล้อเป็นเป็นเบรคและมีคันเร่งที่จะฉุดลากตนเองออกจากสิ่งชั่วช้าละมนนะุกนั้นผู้นั้นมีหวังที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางอันเป็นที่พึงใจของตนได้นี่หลักธรรมท่านสอนไว้เช่นนี้สอนใคร ถ้าไม่สอนพวกหูหนวกตาบอดอย่างพวกเรานี้หูหนังตาเนื้อมันก็เห็นแต่สิ่งที่อยู่ในวิสัยมันไอ้ธรรมที่กล่าวสิ่งที่กล่าวเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นใจก็บอดเราจะว่าเราฉลาดได้ยังไงเมื่อจิตใจก็เป็นอย่างนี้มันบอดอยู่ทั้งวันทั้งคืนมไม่หรอมีหูแจ้งตาสว่างภายในจิตใจบ้างเลยจึงต้องยอมเชื่อ พระพุทธเจ้าว่าพุทธทางเสนขาขฉามิยอมกราบไหว้ยอมเคารพนับถือยอมฝากเป็นฝากตายกับท่านแล้วนำพระว่าของท่านมาฉุดลากมาประดับประดาตนเองหรือประทับประคองตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมภูมิแห่งความเป็นมนุษย์มีอัตมีธรรมมีความดีงามประจําใจจิตใจกลรับความเย็นสมาควอมหน้าแข่งทำเป็นเครื่องพยิงรักษา เนื่องจากการปฏิบัติของเราด้วยความพอพอใจชื่ออัจฉริยธรรมของพระพุทธเจ้าทำมังนสนงังคฉามนี้ทำที่สว่างเจ้าภ า, ายในพระไทของพระพุทธเจ้าและทำที่มีอยู่ทั่วไปก็เป็นมหามงคลแต่เราผู้ระลึก ถ, ถึงท่านทั้งทางสนงังคฉามนี้ก็เหมือนกัน ท่านเป็นผู้มิเศษทั้งนั้นธรรมชาติทั้งสามนี้คือธรรมชาติที่นีทสุและธรรมนี้เคยโปรดสับโลกมาพร้อมแต่โลกเกิดมีโลกขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้หรือพวกเราผูกเป็นนักปฏิบัติ้พึงดูเรื่องจิตใจ ที่พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่กองฟืนกองใส hmm. อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไฟราคะไฟตัณหาไฟความโลภความโกรธความหลงมันเผาผลาน์อยู่ภายในจิตใจให้แก้มันด้วยศรัทธาความเชื่อความมั่นใจวิริยะความภาคเพียรสติความระมัดระวังรักษาตนสมาธิคือ ความสงบเป็ี่ยนใจด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรปัญญาความสอดส่องมองทะลุเผลดีชั่วเป็นโทษเป็นคุณประการใดบ้างให้เลือกเฟ้นด้วยดีอยู่โดยสม่ำเสมอ น, นี่คือว่ากำจัดไฟที่มีอยู่แล้วก็จะลดน้อยลงไปที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดจะไม่ลุกลามภายาจิตใจของเราให้ร้อนมากไปแล้วสุดท้ายก็ไฟเหล่านี้ก็จะดับด้วยอานาจแห่งธรรม ตระประมเป็นเครื่องแผละเผาไฟราคาตันหาให้เบาบางและหมดไปจากใจนี้ไม่มีน้ำใดที่จะดับไฟีิเรกประเภทต่างๆได้นอกจากน้ำอัดน้ำถมเป็นของสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดผงให้ดูผู้ที่จะเมานรกก็คือใจดวงนี้ จะเมากองทุกทั้งมวลก็คือใจตรงนี้เพราะสร้างอยู่เสมอเถอไม่ได้เนื่องจากกิเลตมันไม่มีคําว่าเถอแต่ฝ่ายทาเราเถอะเสมอเมื่อเถอเมื่อไหร่จิเลสต้องต่อยเอาต่อยเอาอเพราะจิเลตมันราบรื่นคล่องแคล่วภายในตัวของมันพอแล้วเนื่องจากได้เป็นเจ้ามหาอํานาจปกครองจิตใจของสัตว์โลกมาเป็นประจําวัตจักรนี้ เองไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจเหนือกิเลสและไม่มีอะไรที่จะคลั่งตัวยิ่งกว่ากิเลสออกทํางานบนหัวใจสัตว์มีทำเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องกําจัดปัดเต่าและรูปเพลงของกิเลสประเภทต่างๆได้โดยลําดับและได้โดยตลอดตัวถึงจะมาชั่งถึงปราบภัยราบออกจากจิตใจได้ไมีทำเท่านั้นเมื่อใจได้เมื่อทําได้ปราภิเลสแห่ราบออกจากใจแล้ว ไม่ต้องบอกให้กราบพระพุทธเจ้าก็เป็นเองไม่ต้องกราบพระธรรมก็ เ, เป็นเองไม่ต้องกราบพระสงฆ์ก็เป็นเองเป็นอยู่ภ า, ายในจิตใจประทับใจเชิงใจทุกอย่างบาปมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมธรณีโลกมีไหมนิพพานมีไหมตั้งแหัวใจของผู้รู้ผู้เห็นนั้นหาที่สงสัยไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าอีกทีน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 สั่งมีแต่กองฟืนกองไฟมีแต่ความรุ่มความหลง ม, มืดมิ ด, มดปิดตาเป็นคนตาบอดด้วยกันฉัดตาบอดด้วยกันหาความสว่างขาจางแจ้งพอที่จะจูงกันออกสู่แดนแห่งความสว่างดีปลอดภัยไม่มีเลยหากพระพุทธเจ้าไม่ได้มาตรัสด้แล้วโลกอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับโลกกันต่างนรกจะหมุนกันไปอยู่เช่นเดียวกับตาที่ ถูกโยนลงในหม้อน้าร้อนนั่นแหละไม่มีทางออกนี่เรานะมามีวาสนาที่ได้เกิดมาในถ้ำกลางแข่งศาสนาธรรมได้ยินได้ฟังพระโอวาสอันเป็นบรรไดฉุดลากพวกเราทั้งหลายได้ขึ้นจากหลมนี้ออกจากที่มืดได้ด้วยศีลด้วยธรรมออกจากกองทุกข์ได้ด้วยความดีด้วยพระโอวาสคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพัฒกั เรากําลังเจริญอามาภาระาหมายถึงความเจริญให้เจริญด้วยศีลด้วยธรรมเจริญด้วยความอุตสาห์พยายามในความดีทั้งหลายแล้วใจจะเป็นผู้เจริญทรงอัดทรงทำทรงความสุขความสบายความรื่นเริงบันเทิงภาจินใจซึ่งเป็นความรื่นเริงบันเทิงและความสุขแปลกจากที่เลียดอามาแฝงให้อามาหลอเป็นได้ใหญ่มีรัดใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ทํำยังไง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 พระพิเลฒมันเป็นของปลอมของปลอมเต็มตัวมันจะผิดจริงที่จริงมาให้เราได้ยึดได้ถือได้เป็นที่อิมโคลได้รับความสุขความเจริญได้อย่างไรเพราะมันปลอมทั้งตัวปลอมร้อยเปอร์เซ็นมีพันมีหมื่นมีแสนเปอร์เซ็นมันปลอมถึงพันถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านเปอร์เซ็นไม่ว่าปู่ย่าตายายของพิเลอืมไม่ว่าลูกว่าเต้าหลานเหรินของพิเลฒมันจึงปลอมด้วยกันทั้งนั้นและหลอกโลกให้หลงให้เชื่อความจําปลอม ไม่มีบรรแตเจอของจริงถ้าไม่เอื้อมมือเขา้าเกาะทำเสียงเมื่อใดแล้วจะไม่เจอของจริงตลอดไปจะตายกองกันอยู่ในความจำกองและเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ดั่งที่เป็นมานี้ตลอดไปหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยเพียงที่จะทําให้สิ้นสุดยุติได้ก็คือทำทำมีประมาณทำมีขอบเขตเพราะทำเป็นของจริงสอนโลกสอนด้วยความจริง อันใดจริงทําสอนอย่างนั้นไม่เคยหลอกเคยรวงต้มตุ๋นเหมือนยิเดชยีเหดุมันหลอกมันรวงต้มตุนสร้างโลกได้รับความทุกข์ความทรมานหรือผู้คนเราได้ภาพคำล่มจมจนเสียเนื้อเสียตัวคิบหายหวายพวงไม่ใช่เพราะทําพาให้ชิบหายพาให้เสียตัวเป็นเรื่องของยิเดชทั้งมวลแต่ใครๆก็ไม่ได้สนใจในสาเหตุของมันที่จะทําให้เราล่มจมเพราะอะไร เนี่ยจริงว่ามันกรอมได้อย่างสนิทใจเพ่งปลอมๆกรอมระจับโลกได้สนิทใจแต่ธรรมของจริงนี่กรอมยากเพราะกิเลสมั น, นมีอำนาจมากกว่าในหัวใจของจัตโตนอกจากธรรมมีอำนาจมากขึ้นไปเดิมดับจนกระทั่งปราบกิเลสทั้งหลายให้รากไปหมดไม่มีใจเหลือแล้วเอาเถอะเพง่งเพง่งกิเลสมันจะหลอกวิธีใด ก, ก็ตามมันอยู่ในหัวใจใด แสดงออกมาเป็นอากัาศียาใดธรรมจะทราบทันทีทันทีเพราะธรรมได้ปราบมันเลียบวุตรไปหมดแล้วจากหัวใจของตนกิ่เละ จ, จะหลอกยังไงจึงต้องทราบหมดทราบหมดนี่แหละมีธรรมเท่านั้นที่จะเหนือกเที่จะปราบกี่เละให้อยู่ได้ไม่ไม่มีอะไรที่จะปราบแจะนำทกิเละไปปราบกิเลสก็เท่ากับมันเป็นมิตรเป็นสหายแล้วเพิ่มกําลังเสริมกําลังกันขึ้น นั่นเป็นคนหนึ่งนี้เป็นคนสองคนบวกกันเข้าก็เป็นสามเข้าไปแล้วนี่กำลังของกิเลสเป็นสามถ้าเราจะเอาเรื่องของกิเลสให้เสริมกิเลสเพื่อความดิบความดีความสูขความเจริญนั่นก็คือเพื่อพืเพื่อพื้นเพื่อไปเพื่อกําลังของกิเลสตันหามันจะรุนแรงขึ้นภายในตัวของเรากลายเป็นไปทั้งกองเผาหัวใจเราจนหาที่พุงที่หวางมาได้นั่นแหลยเราเป็นนักธรรมะจึงควรทดตอบแยกแยะช่างตวงระหว่างกิเลสกับธรรมต่างกันอย่างไร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 ที่เรศมีอยู่ที่ไหนมากน้อยโลกจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้จะมีแต่ความน้อนและความระ่ําและสายไม่ว่าในสังคมมนุษย์เราไม่ว่าแต่ตัวของเราครอบครัวของเราถ้าผู้ใดมีความสนใจไฟต่ํคาครอบครัวนั้นจะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้แม้จะสามีภรรยาก็ต้องแตกจากกันพระเยซูไม่เคยสร้างความ พอดีไม่เคยสร้างเมืองพอห่วงใจของสามโลกมีหนึ่งแล้วอยากมีสองมีสองแล้วอยากมีสามความโลภโลภไม่มีใครเกินกิเลสคำว่าโลภคำว่าหลงก็ไม่มีใครเกินใ ค, ใครเกินกิเลสคำว่ารักก็ดีชังก็ดีไม่มีอะไรเกินที่เลสจึงหาความพอดีไม่ได้ถ้ารองกิเลสไม่เข้แทรกตรงไห น, นยิ่งเสริมกิเลสด้วยแล้วแลกไปเลยไม่ต้องมีไม่ต้องสงสัย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 รักษาเข้าไปปรับตนเองไปบังคับตนเองเห็นคู่สามีภรรยาอย่างนี้ก็มีกันเพียงสองคนเท่านั้นก็สบายไม่ต้องไปหาหญิงหาชายที่ไหนเพื่อเป็นความบำรุงบำเลอให้มีความสุขความสบายมากขึ้นมีเมียมีผัวมากมายเท่าไรมีลูกเจ้าหลานเหลนมากเท่าไรยิ่งจะเป็นความสุขควาสบายนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสอืมมันหลอกสมตุนคนทั้ ง, งครอบครัวให้จมไปเลยไม่มีใครเคยได้ยินได้ มาออกปากประกาศตนเองว่าจะมีความสุขเพราะความเลยประมาณเพราะความโลกไม่มีเมืองพอเพราะความรักไม่มีเมืองพอมีทมเท่านั้นทำให้โลกได้รับความสงบปลุกเด็กพูดอะไรก็ฟังการรู้เรื่องถ้าต่างคนต่างมีธรมรมถ้าผิดยอมรับตามไม่เลยดันทุรังกัน ความดันผู้หลังก็คือกิเลสไม่ยอมใครง่ายๆธรรมะเดไม่ยอมใครถ้าทําแล้วยอมเมื่อยิงแล้วยอมรับกันถูกต้องแล้วยอมรับกันโดยทางเหตุผลโลกอยู่ด้วยกันได้สังคมใดก็ตามตายกิเลสออกหน้าออกตาความโลกความมากใหญ่ภัยสูงความเห็นแก่ตัวเข้าไปเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาอยู่นั่นแล้วสังคมนั้นก็คือสังคมล้มเหลวสังคมของเด็ชยัง นังดีกว่าเพราะเด็กทั้งกลุ่มทั้งเด็กเด็กไม่กอบความเสีหาได้เหมือนทั้งคลุ่มครั้งที่เล็กนี่เราก็เห็นได้อย่างยัตถาระหว่างที่เล็กกลับทำถ้าจะสนใจพิจารณาไม่ลำเอียงหน้าเอที่เด็กเป็นแค่นงางคาถามีใช่โดยถ่าเดียวเท่านั้นถึงย่นเข้ามาถึงหงวัวใจของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติดูมันที่วันหนึ่งไปยังไงมันจะแดงความรักขึ้นมารักอะไรความรักก็กระเพื่อมคํารัก ครอบเป็นสิ่งยุแย่ก่อควรความชั้งก็เป็นสิ่งยุแย่ก่อควนความโกรธมันก็เป็นสิ่งยุแย่ก่อควรทั้งนั้นความโลภเป็นสิ่งยุแย่ก่อควรคําว่าผู้ที่ถูกยุแย่ก่อควรนั้นไม่มีความสุขที่ไหนไม่มีสิ่งยุแย่ก่อควนต่างหากจึงเป็นความสุขคนเรามีแต่พยายามดูใจเจ้ของมีอะไรยุ่ยแย่อยู่้งเสมอเวลา น, นี้มันเกิดขึ้นที่ใจนั่นแหละอย่าเข้าใจประมาจากทางโน้นทางนี้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 หนีเราต้องการนักหลืออยากให้กิเลสปกครองหงอัวใจของเราเคยปกครองมาตลอดเวลานี้อะไรปกครองทําไมให้กิเลสปกครองทำทั้งหลายได้ปกครองเมื่อไหร่มีนิดๆแน่นอ น, นแล้วก็คอามจิตล้มไปล้มไปถูกกิเลสทํำลายทําภายในใจสมาธิทำสมาธิทำก็ถูกมันทํำลายตั้งไม่ได้ถูกมันทํำลายปัญญาทำก็ตั้งไม่ได้ถูกมันทํำลายมันมีแต่ควา ม, มทามมี่เสียที่้ค้นความโห่งเหงา่าตาวุ่นหาความคิดความอ่านแต่จองอะไรไม่ได้ จะเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของพิเรนแล้วความฉลาดแหลมคมจะเอามาจากไหนความของสายตลอดทึ้งความม่รู้ไม่เข้าใจก็ได้มาจากไหนได้มาจากพิเลนเป็นได้เป็นไปได้เหเรือพิเลนมันตัวมืดดำตัวสพกระโปรงรกดุงรังที่สุดแล้วทําไมจะทำใจของเราให้สะอาดได้ถ้าไม่ใช่ทำซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดเยี่ยมเหนือแดนโลกชาตินี้จึงต้องอาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องประคับประคองใจของเราใค้ได้ชมที่ท่านว่าไว้นั้น ไม่ใช่โมฆะสัสตาไม่ใช่ศาสตาองค์ุ่นเดาเป็นศัสดาองค์เอกไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้วในสามเดือนโลกธาตุนี้พู้จริงทุกสิ่งทุกอย่างรู้จริงเห็นจริงสอนจริงผู้ปฏิบัติจริงทำนั้นจะไม่ไปไหนก็ต้องเจอความจริงตถาานที่จริงสิ่งที่จริงจริงอยู่ที่ใจนี่แหละถ้าใจเป็นตัวจริงเป็นต้นเหตุตัวจริงแล้วจะเจอผลที่จริงเป็มหัวใจไม่ต้องสงใจเพราะการพยยามทำเพื่อเหไนรู้สึกเหนื่อย